ซึ่งแต่ละพระคาถานี่ก็มีพ้อหมายที่เป็นอมะตะทั้งนั้นเลยถ้าเราสวดไปพิจารณาตาไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งมีนาอินยะทั้งที่เป็นสมุติ ท, ที่เป็นประมัดเพราะนั้นในพุทธภาสิตแต่ละบทเนี่ยถ้าเรา สวดไปพิจารณาไปสาธยายไปนอกจะได้ความธรรมปิติแล้วเรายังได้อัธรุษเช่นบทว่าเอทะประสสิมังโลกังจิตตังลาชะดัทูปมังอันทภารานิสีทันตินาติสังโควิชานตังันแปลว่าสูงทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาขอห้องอยู่ไหมถ้าฟังแปลไทยเป็นไทยแล้วก็ยังงงๆแต่ถ้าหาว่าขยายความให้เห็นความหมายที่ชัดเจนว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้เอกถปะปัศถมังโล ก, กัง จิตตังละชัตถุประมังว่ามีความวิจิตพิสดารมีความละเอียดประณีตเหมือนราชรถที่คนเข่าหมกอยู่คนเข่าคือคนไม่รู้หรือคนรู้แต่ไม่มีมีความรู้แต่ไม่มีสติปัญญาหมกอยู่หมกมุ่นติดยึดชื่นชมหลงไหลคาว่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ผู้รู้หมายถึงผู้ที่เข้าใจว่าโลกนี้มันจะอันตราการสวยงามขนาดไหนแต่ว่ามันก็เป็นไปเพื่อความชราความเสื่อมมันไม่ได้อยู่คงที่ผู้รู้ก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ท้าวรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมคือไม่ติดอยู่ นัตถิสังโฆ ว, วิชานตังนั้นเองเราจะเป็นผู้รู้หรือเป็นคนเขาก็รู้ตรงนี้ที่ว่าความละเอียดประนีตอันตราการละเอียดประีตคือทั้งที่เป็นในรูปรูปที่เรารักและหลงไหลในตัวเราเองในผู้อื่นก็ดีในรูปในเสียง ในเสียงของเราเองในเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงชื่นชมเสียงอะไรต่างๆที่เราติดยึดเสียงกลิ่นรสอาหารที่เราพยายามปรุงแต่งออกมาเป็นรสต่างๆ ท, ที่เราพยายามสรรหาจะเลือกหาในร้านใน สถานที่ที่เราชอบเราก็เลือกสรรหามามีความประณีตความละเอียดรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสที่นิ่มนวลเราสรรหาบ้านช่องที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยที่ประณีตที่ละเอียดจะแพงเท่าไรเราก็ยอมนัสรรหารูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์เป็นที่พึงพอใจนะ เราก็สร้างบรรยากาศฟังเพลงฟังธรรมะฟังละครฟังการแสดงอะไรต่างๆที่ทำให้เราพึงพอใจก็สัรหาความละเอียดประณีตในอายตนะในกรรมคุเหเนี้ท่านบอกว่ามันเป็นของอันตราการดูราชรถที่คนเขาหมกอยู่ในรูปเสียงกีโด้สัมผัส เหล่านี้แหละแต่ผู้รู้หาฟ้องอยู่ไหมเพราะรู้ว่าความบรเรณอร่อยที่เกิดจากรูปเสียงที่เราสัมผัสนั้นมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นเพียงผัสสะที่ชั่วคราวที่กระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ดับไปแต่คนเขาก็ไปตามติดในรูปเสียงเหล่านั้นจนกระทั่งเราหมกมุ่นแสวงหา ในสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่ว่ามันก็ผ่านไปละอาหารอร่อยก็ผ่านไปรูปสวยก็ผ่านไปรสอร่อยกลิ่นหอมก็ผ่านไปแต่เราก็ยังติดใจอยู่เราก็พยายามที่จ ะ, สะแสวงหามันต่อไปอีกโดยการสั่งสมเงินทองสั่งสมทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้รูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นกลับคืนมาหลายๆรอบอันนี้เขาเรียกเป็น ผู้คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภายะชั่วคราวมันมีมาก็ผ่านไปโดยที่ไม่ยึกติดมันมีมาก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีก็ไม่แสวงหาไม่มาก็ไม่ดิ้นระนนี่เรียกว่าแต่ถ้ามีก็ไม่ปฏิเสธถ้าไม่มีก็ไม่โหยหาเพราะมันเป็น องชั่วคราวเราไม่ปฏิเสธและก็ไม่ไรับแต่จะแสวงหาสิ่งที่เที่ยงแท้ท้าววอนแสวงหาอะไรแสวงหาความสะอาดความสว่างความสงบที่มันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ท้าวนที่จิตใจเราสัมผัสได้ตลอดเวลาแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิดเดียวก็ผ่านสัมผัสนิดเดียวก็ผ่าน แต่ว่าในความสงบความประนีตของศีลของสมาธิปัญญาเนี่ยมันสัมผัสได้ตลอดเวลานะอั น, นี้เขาเรียกว่าผู้รู้จึงแสวงหาสิ่งเหล่านี้นแล้วก็เราได้สวดบทต่างๆที่ที่ผ่านมาฟังแล้วก็ไพเราะนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่นําสิ่งเหล่า น, นี้ไปพิจิตติพิจรารณาเราก็ฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งว่าวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปสวดสิบรอบพี่สิบรอบก็ออยังจําไม่ได้สักประกาศหาเลยเพราะเราฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านแต่มาฟังแล้วถ้าอันไหนที่ชอบแล้วก็จํา จำเลยจะไม่ยอมให้ผ่านแล้วนำไปบริกรรมไปพิจารณาในคาถาพระคาถานั้นบ่อยๆนะเพื่อที่จะได้เอาไปเข<ม>าเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบทเป็นบทเตือนใจใ น, ในส่วนที่เราเคยเอามาใช้อีกอันหนึ่งใช่คว่า ผู้ขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจจัดการเลี้ยงชีวิตพอประมาณจึงรักษาทรัพย์ภามาได้อันนีสนนะ้สำหรับชาวบ้านนะสหรับชาวบ้านที่ที่ประกอบอาชีพที่ทรมาหากินนะขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจจัดการนะเลี้ยงชีวิตพอประมาณซึ่งส่วนใหญ่นี่คนปัจจุบันประสบ ป, ปัญหากันมาก ในหน้าที่การงานแล้วก็ขยันในเมื่อมีผลตอบสนองอที่พึงพอใจทำเท่าไหร่ก็ได้แต่จะขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างเมื่อมีผลตอบสนองที่ไม่พึงพอใจนะดังนั้นในในจุดนี้ก็ทำให้เกิดความเกิดปัญหาเราใช้ตัวค่าจ้างรางวัลเป็นตัว ผลนะซึ่งความจริงผลที่เราได้คือเรามีความสุขในการทํางานค่าจ้างรางวัลเป็นผลผยได้แต่เราก็มันหมายความว่าเราจะไม่รับนะแต่ว่าเราอย่าพึงพอใจแค่นั้นแต่เราจ ะ, สะแสวงหาความสุขในการทํางานนะทําอย่างไรให้มันไม่ต้องคือทำแล้วไม่ได้ความสุขเลยอะ่ะไม่ต้องเอาตัวเงินทองค่าจ้างมาเป็นตัวความสุขแต่เอาตัวงานมาเป็นความสุข อย่างจะมาเนี่ยพาพระเนรทำงานเราไม่ได้หวังค่าจ้างละวันนะแต่ว่าเราทำด้วยความสนุกทั้งวันดูเหมือนงานหนักกว่าชาวบานะ้านวันนี้พากันไปเดินท่อน้ำเนี่ยขึ้นลงกับเขาหลายรอบเนี่ยกำเนินน้อยเพราะเราเห็นว่าไอ้น้ำที่ขึ้นมาวัดเนี่ยเราใช้สเสมอถึงสองตัวหนึ่งถ้าหน้าแรงค่าไฟมันจะแพงมาก คือเราเอ๊ะทาไงเราใช้เสมอตัวเดียวได้ไห ม, มก็เลยทดลองกันวันนี้เราสูบบ่อล่างมาใส่บอ่อกลางแล้วก็สูบบ่อกลางขึ้นบอ่อบนทีนี้เราจะเปลี่ยนว่าสูบบ่อล่างขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งด้านนูน้นแล้วจากเขาลูก น, นู้นเราก็โยนมาเขาลูกนี้เลยก็ขึ้นมาใกล้ๆนี่เลยเพราะว่าสันเขาใกล้เคียงกัน คนระนั้นในบอ่อที่สองเนี่ยเราไม่ต้องใช้สเสมอละเราใช้สูบแรงต่ําก็ขึ้นได้ละเราก็ใช้สเสมอแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องสูบแรงต่ำํำบางทีเราอาจจะใช้โซลา่าเซลล์ติดซักแผงสองแผงก็น่าจะขึ้นได้ในตัวสูบหลักนั้ก็ใช้สเสม อ, อตัวเดียวกำลังทดลองอยู่พรุ่งนี้นะ่าจะดูผลดู เขาที่แล้วนี่ไปดูงานที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาใช้การักน้ำข้ามเขามาตั้งหลายลูกเขาก็ยังทำได้อันนี้พวงเราอยู่ใกล้ๆกนี่มันน่าจะทำได้นะโดยใช้ไอไอแอร์ช่วยวันนี้ใช้อแอร์4ตัวพู้นี้จะวัดดูว่าเออแอร์4ตัวเนี่ยถ้าน้ำขึ้นระดับนี้ถ้าเราเพิ่มอีกเนี่ยมันจะขึ้นมากกว่านี้ไหมแอร์แวร์นี่จะทำให้แรงดันน้ำเพิ่ม ปั๊มมันจะเบาเราจะไม่เปลืองไฟอันนี้แียวว่าเราขยันทําในที่การงานหมายถึงการงานที่เราเข้าใจจัดการฉลาดและเข้าใจจัดการไม่ประมาทมีไม่ประมาทเข้าใจจัดการคือจัดการลองดูไม่ใช่ว่าทําไปโดยที่ไม่ใช้ไม่จัดการที่ถูกนะอันนี้ส่วนหนึ่ง เลี้ชีวิตพอประมาณเราท่านเข้ากันมื้อเดียวแต่ยเราทำงานท่องวันนะจะชาวบ้านทานสาวมื้อทำบ้างไว้ทำบ้า ง, างอีดองต่องแต่งเนี่ยอามาว่าไอ้มันไม่มีความสุขในการทำงานนแล้วอย่างนี้เราก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้คือไม่ต้องเสียค่าไฟหลายพันบาทนะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดด้วยนะอันนี้เราก็อ่าทีนี้แต่มาท่านบอกว่า พิรู้โทษอย่างนี้วรตันหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วพึงเป็นผู้ปราจจะจากตันหาไม่ถือมัน่นมีสติอยู่ทุกอิริยาบถซึ่งช่งชวงเช้าเนี่ยโยมเอ๊ะเมื่อวานมื่โยมบอกว่าอยากจะเก็บอารมณ์จะเอาอารมณ์จะเจริญกรรมฐานบทไหนที่มันได้อารมณ์ดีอามาก็บอกว่าไปทําเรื่องเดียวไปดูความอยากเรื่องเดียวเนี่ยคือตันหาของเราเนี่ย เนี่ยว่ามันอยากจะทําอะไรนั่งสักพักมันอยากจะลุกนั่งสักพักมันอยากจะนอนนั่งสักพักมันอยากจะทำโน่นทํานี่นั่งสักพักมันอยากตลอดเวลาเนี่ยลองไปดูความอยากตัวนี้ว่าเอามันอยู่ไหมปรากฏว่าเอาไม่อยู่สักพักลงไปปรากฏไปทําเรื่องอื่นนะลมวไม่สอบอาลมไม่ผ่านมันตัณหามันเราให้โอกาสมันมันก็มีโอกาสมีนก็มีแรงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาว่า เป็นผู้ปราจจจากตันหาเนี่ยมันยากนะเพราะตันหาเป็นบ่อกเกิดเป็นเหตุเกิดแห่งทุกนะเป็นเหตุเกิดแห่งรู้อะรู้ทั้งรู้อะตันหาเป็นเหตุเกิดแ่งทุกแต่เราไม่เคยศึกษาอำนาจของมันจริงๆริจริงังนะยายติ๋มตันหาเกิดเยอะนะนั่งอยู่ก็ยังตันหาเกิดเลยนะตั้งใจฟังหลวงพ่อหน่อยไม่ได้ตันหาว่าแกลกันทั้งนั้นทั้งนี้ ตั้งสติทัว่ามีสติอยู่ทุเรียบทในที่นี้ว่ามีสติพิกุปริพเชมีสตุสติอยู่ทุเรียบทเรื่องนี้มันมันยากยังไงถ้าหากว่าพื้นฐานจิตเราไม่ดีนี่นะรู้ทั้งรู้แต่มันทำไม่ได้เพราะโบราณคืจิตมันจิตมันรั่วจิตมันรั่วตั้งใจจะ ยังใจจะเทน้ำนั้มันเต็มมันไม่เต็มสักทีมันรั่วไปใช่ไหมจิตมันรั่วเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยพยายามอุดรอยรั่วคือมันจะคิดอมันอยากจะทํำนั่นทํานี่ก็พยายามหยุดมันก่อนหยุดมันตั้งใจเอามาบางครั้งอามาลองลองรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทําตามมันเนี่ยมันจะดิ้นตายไหมความอยากตัวนี้ นั่งพักกยากไปโน่นนั่งพักก็ยากทำนี่ถ้าไม่ไปตามมันมันจะดิ้นตายต่อหน้าต่อตามมันก็ไม่เป็นดันมันก็ไม่ดิ้นตายมันก็อยู่ได้ของมันเพราะฉะนั้นเราก็มาวัดนะี่มาฝึกฝนมาปฏิบัตินะไม่ได้มาหาความสุขความสบายอะไรนะนั้นก็เลยว่าวัดเราเป็นที่พักชั่วคราวเรา ใช้วัดเป็นที่ไม่ใช่เป็นที่อยู่แต่เป็นที่อาศัยเป็นวัดเป็นส่วนกลางของทุกคนเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้มาก็เลยเอากุญแจมาใหม่ให้แต่ละคนถือกุญแจส่วนกลางคนละหนึ่งดอกแล้วเก็บเป็นกุญแจสัมรองเอาไว้ต่างหากกุญแจคนละหนึ่งดอกเนี่ยเวลาหายเนี่ยต้อง เอาไปเอากุญแจสั่มองไปปั๊มเอาเองไม่เราไม่ให้กุญแจสั่มองเอาไว้แล้วก็กุญแจสั่มองจะเก็บไว้ที่วัดไม่ให้มีกุญแจของตัวเองเพราะถือว่าเราไม่ใช่บ้านเราเป็นที่อาศัยถ้าเราไม่อยู่คนอื่นเข้ามาอาศัยต่อได้ไม่ใช่ว่าอันนี้บ้านของฉันนะเข้าไม่ได้นะอันนั้นมันกลายเป็นบ้านไปมันไม่ใช่วัดถ้าวัดนี้ทุกคนสามารถเข้าไปอาศัยได้แม้เราไม่อยู่ก็ตามสมมุติว่า เราไม่ได้อยู่เราก็เอากุญแจมาเก็บไว้คนอื่นมาแล้วเอากุญแจนี้เข้าไปเนะ่เพราะนั้นในที่พักของเราถ้าหากเราไม่อยู่มันก็เก็บเม้นเหมือนเราไม่ได้อยู่ละถ้าเรากลับมา อ, อก็มาใช้มันเดิมนะอันนี้ก็ใช้วัดเป็นที่อาศัยเพื่อมาชำร ะ, ะสาสางตนเองอเราอยู่บ้านเนี่ยเรามีอะไรลุงลังไปหมดนะ สักพักหนึ่งเราก็เจ็บป่วยแล้วเพราะมันหนักแต่เราเมื่ออยู่บ้านมาปดมาเปลื้องมาปล่อยให้มันเบาสบายท่านั้นเองพอมีชีวิตผ่านมีความสุขไปมีความสงบไปนะพออยู่บ้านมันมันไม่สงบแต่เรามาอยู่วัดเราก็ต้องปดเปลื้องให้เบาสบายนะแต่ถ้ า, ถ, าถ้าหากว่าเราเป็นที่อยู่เราก็จะหนักอีกเพราะมันกิเลสมันจะไม่อยู่ด้วยแต่ถ้าเราเป็นที่อาศัยเนี่ย กิเลสมันกลัวว่าจะอยู่กับมันไม่นานมันก็ไม่อยู่ด้วยที่อาศัยะฉะนั้นเองก็เลยว่าเราทำยังไงให้เป็น ป, ปลดเรื่องเป็นอิสระเฉพาะเราเข้มแข็งนะเมื่อเราเมื่อเรายังไม่เข้มแข็งนเนี่ยเราจะแบกภาร ะ, ะหลายอย่างเอาคนนั้นมาเป็นภาร ะ, ะเอาสิ่งนั้นสีนี้มาเป็นภาร ะ, ละแล้วก็วุ่นวายไปหมดมันไม่สงบ อันนั่นเองเราก็พยายามประคับประคองตัวเองเรามาอยู่วัดเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็มีเจ้าของบ้านสมมุติเราจะมาเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องอเจ้าของบ้านว่าอย่างไรเจ้าของบ้านทําวไมก็ทําตามในฐานะเป็นผู้อาศัยผู้อาศัยเราก็ทําตามกฎ ร, ระเบียบด้วยการใช้ทรัพ์ที่เป็นที่บําเพ็ญภาวนาร่วมกันทําอะไรก็ทําร่วมกัน นะเราเอามีธรรมะของพระพุทธเจ้าพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นกลางธรรมวินัยที่เป็นกลางคือพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทําอะไรก็ทําเหมือนกันเรียกว่าสังคะถ้าทาไปคนละแบบและอย่างก็ไม่ใช่ไม่ใช่สังคะเดียวกันนะเราทําเป็นไปอย่างเดียวกันเรียกว่าเรามีสังคะเรามีสั ico, นทะิติโกเราเห็นร่วมกัน มีสามีจิตปฏิปนูเราเคารพคนระเบียบร่วมกันอันไหนที่เราทําร่วมกันเราก็เคารพในอันนั้นถ้าทําไปคนละแบบและอย่างถือว่าไม่เคารพกันเราก็จะไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่เป็นแบบอย่างเดียวกัน น, นี้เราก็ต้องศึกษาเราเป็นผู้ฉลาดในการที่จัดการในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีเรารู้ความเหมาะสมควร นะว่าอันไหนสมได้ควรพระธรรมวินัยคือปรับให้เกิดความสมควรเหมาะงดงามกับหมูนะ่คณะแต่ถ้าหากว่าพระธรรมวินัยนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่หมูคณนะไม่งดงามพระธรรมวินัยนั้นก็จะไม่เอื้อต่ อ, อชีวิตของเราันะ น, นี้เราก็ใช้ที่ต่อมาท่านบอกพิสุไม่ควรติดในการมทั้งหลายการมีใจไม่ขุนมัว ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงควรเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อแลวจะเห็นว่าในพุทธพจน์ทุกบทเนี่ยท่านเน้นเน้เนมิกกี้บทว่ามีสติอยู่ในทุกเรียบบทสตตภิขุบริพเชยบทนี้ย์เขาว่าสตตภิขุบริพเชยเหมือนกันเห็นไหมควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงควรเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิสุไม่ควรติดในกามทั้งหลายควมีใจไม่ขุนมัว ไม่คนติดในการมทั้งหลายเขาว่าในการมทั้งหลายนี่มันหมายในการมแบบชาวบ้านนะมาหนึงเมื่อความติดความใคร่ความรักใคร่เหมือนชาวบ้านแต่ความติดในการมทั้งหลายการรมในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนเรื่องอยากจ ะ, ะทําอะไรก็ทําอยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะไปไหนก็ไปอะไรเนาะเรียกเป็นกรรมกามไหนเขาก็ทําตามใจทําตามอยากในสิ่งนั้นเป็นกามไม่ใช่เป็นเรื่องเพศกรรมของพิสุนะแล้วก็ ทำให้เราจิตใจไม่ไม่ทวนกระแสไม่ฝืนสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นเป็นการตอบสนองความอยากเรามันก็จะไม่ใช่ไอสิ่งที่ดีความสิ่งที่ดีมันอาจจะอยากจะให้มันดีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ต้องต้องอยากนะอันนี้ก็ แยกแยากนิดหนึ่งนะเราต้องเป็นผู้ฉลาดในทำทั้งปวงหมายถึงว่าเราพิจารณาทำเอามาใช้ให้เหมาะสมกับกำลังอีสีของตนนะ mm. คนมีใจไม่ขุนมัวหมายถึงว่าเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเพราะอยู่ในโลกเนี่ยมันมีทั้งเรียกว่าอารมณ์ทั้งหน้าพอใจไม่พอใจมากระทบตลอดเวลา mm. เดี๋ยวคนนั้นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดเราก็ฟังได้ มีใจไม่ขุนมัวโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเนี่ยจะถ้าหากว่าเราเอาสิ่งที่มากระทบเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกผิดใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ถูกละเอาสิ่งที่มากระทบเป็นเป็นที่ตั้งของการศึกษาว่าสิ่งนี้คืออ๋อที่ทำให้กระทบแล้วมันรู้สึกไม่ดีมันเป็นอย่างนี้กระทบแล้วรู้สึกมันดีอ๋อมันเป็นอย่างนี้ศึกษามันไปเรื่อย ในที่สุดเราก็เรืละทิ้งทั้งดีและไม่ดีละทิ้งได้ทั้งบุญทั้งบาปคือไม่ติดใจในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่แล้วนะเราก็ทําในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์คําว่าเป็นประโยชน์กับญาติโยมก็เป็นประโยชน์กับพระกับนักบวชที่ต่างกันนะเป็นประโยชน์ทางญาติโยมคือ่ใช้คำว่าทิฏฐธรรมกัตถประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ทางนักบวชที่ใช้คําว่าปรมัตถประโยชน์เพราะประโยชน์มีสองอย่าง ประโยชน์ที่เห็นได้ณปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมกัตประโยชน์ท่านเน้นประโยชน์ทางเครือข่าเนี่ยมีอยู่ทิฏฐธรรมมนี่ยมีสี่อย่างมีอุฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยขยันหมั่นเพียรอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาสิ่งที่หามาได้การยาณน ะ, ะการยาณมิตรตา มีมิตรมีสหายมีเพื่อนที่ดีนะแล้วก็สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตสมควเรเลียงชีวิตที่เหมาะสมกับรายได้รายจ่ายเรามีรายจ่ายเดือนละหนึ่งหมืนบาทแล้วก็ใช้จ่ายยังไงก็ให้อยู่ในวงการหนึ่งหมื่นบาทเรามีรายได้หนึ่งหมืนบาทเราใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นบาทอย่างงี้ก็เรไม่เป็นสมชีวิตา ไม่เหมาะสมเรามีรายได้วันละสามร้อยเราจ่ายวันละห้าร้อยนี่ก็ไม่เหมาะสมละไม่เป็นสมัชชิวิตาอันนี้เรียกว่าที่ถัดมกัะปดับประโยชน์ประโยชน์ของชาวบ้านแต่ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติจะมีอีกส่วนหนึ่งท่านใช้ว่าปรมัตประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันไม่มุ่งสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติน เช่นเราไปทําดีอย่างโลกโลกเนี่ยไปทําดีอย่างเขาเราชาวโลกเขานิยมกันก็เป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์แบบโลกโลกแบบชาวบ้านแต่ถ้าความดีเป็นประโยชน์ของนักบวชนักปฏิบัติเนี่ยจะมุ่งแค่ว่าทำไงให้เกิดมรรคเกิดผลแก่จิตใจเพราะมรรคผลเนี่เป็นสมบัติสูงสุดแต่ชาวบ้านต้องทําอาหากินแลเอาใช้สมบัติแบบพวกทรัพย์ แต่นักบวชต้องมุ่งที่เป็นอริยรัพย์คือมรคนิพพานมร์คือหมายถึงว่าเรามุ่งปฏิบัติสมถ t ภาวนาวิปัสนาภาวน า, ว า, วนาเรียกว่าเป็นมรเมื่อปฏิบัติแล้วเข้าใจได้นํามาใช้ได้เรียกว่าผลนิพพานหมายถึงว่าเราดับเราเย็นเราสงบได้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนกร็ราไม่ดัดเดือดร้อนไม่ดิลลุนไม่กวนกวายขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อมรคนิพพาน นี่ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดปรมามัตถประโยชน์นะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยมาก็มุ่งอย่างนั้นได้อยู่วัดแล้วก็อ่านดูแลกันนะแล้วก็ไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่เขาต้องการที่จ ะ, จะเจริญมรรคผลนิพพานเหมือนอย่างเราเราก็ไปชี้ไปนําเขาในแต่ละแห่งแต่ละแห่งไปนะแล้วก็ญาติโยมที่มุ่งปฏิบัติด้วยกันก็ไปช่วยเหลือกันนะไปช่วยเหลือกันว่าคนไหนมมุ่งปฏิบัติเพื่อพัฒผลนิพพานแล้วก็ไป ไปช่วยกันเสียสละมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปใช้เพื่อช่วยเพื่อนเรามีความสุขสบายแล้วอยากให้เพื่อนเราสุขสบายบ้างเราก็ไปช่วยเพื่อนไปเป็นกําลังใจกับเพื่อนแต่เราก็ไม่ได้ไปสอนอะไรมากมายไปช่วยกันจัดการโนู่นนี่นั่นก็ถือว่านั่นคือร่วมขบวนการในการสแสวงหาสิ่งเดียวกันมีการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่นไปพร้อมๆกัน พระถ้าทำไมเองเจริญมาด้วยอย่างนี้เจริญมาดยเพาว่าช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือตัวเองไปพร้อมๆกันไม่ใช่มุ่งช่วยเหลือตัวเองโดยที่ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเลยก็ไม่พัฒนาช่วยเหลือแต่ผู้อื่นไม่ไม่มุ่งพัฒนาตัวเองเลยก็ไม่พัฒนาเพราะว่าบางทีเราไปทํางานกับผู้อื่นเนี่ยเราก็ได้รับบทกระทบมาแล้วก็ทําให้เราขัดเกลาแต่ถ้าเรามุ่งอยู่ปฏิบัติตัวเองสงบสมงบตันเองแล้วไม่ทํา อะไรเลยเนี่บางทีมันก็ไม่มีอะไรมากระทบเราก็รู้สึกว่าเออเราปฏิบัติดีแล้วพอนานๆได้รับการกระทบเราก็รู้สึกเรารับไม่ได้นี่แสดงว่าเราก็ติดความสุขสงบแต่พอไปกระทบกระแทกในสิ่งที่มาทดสอบแล้วก็ทนไม่ได้อันนี้พอเราออกไปทํางานเนี่ยมันก็ต้องเจอสิ่งแล้วนี่เจอคนได้ยบางคนดีบางคนพูดถูกหูบางไม่ถูกหูบางคนทําถูกใจบางไม่ถูกใจกันคนทําถูกตาบางไม่ถูกตาบ้างมันมีให้เห็นตลอดเวลา พอเราเคยคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ประจำแล้วจิตแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไปทําอะไรที่อยู่ที่ไหนพูดกับใครมันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาพราะเราเข้าใจแล้วก็นิ่งได้เฉยได้สบายได้ก็ยังทํางานได้ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใครจะดาใครจะว่าใครจะนินทาใครจะรับหน้ารับหลังเราก็ไม่สนใจแหละ ก็สนใจว่าจะทำงไงให้เขามีความสุขคุณอาจจะรักเราบ้างก็ได้ช่างเราบ้างก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้ทำในสิ่งที่เราอยากจะให้ทำก็คือมีสแสวงหามรรคผลนิพพานด้วยกันกเท่านั้นก็พอละนะเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจเหมือนกันก็ได้แต่ว่าให้สแสวงหาในทางเดียวกันได้จะค่อยจะเป็นคนละทางแต่ว่ามันไปมุ่งไปสูป่เป้าหมายเดียวกันนะ ซึ่งเราก็คารพในความแตกต่างไม่ใช่ว่าเราจะให้เป็นอย่างที่เราคิดหมดมันก็ไม่ใช่แต่คารพในความแตกต่างเพราะทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองเพียงแต่ว่าเราพยายามทําความเข้าใจกันได้กัน <c oughs> แล้วก็เราไปคิดว่าคนเนี่ยต้องดีหมดมันเป็นไปไม่ได้ทุกวันเนี้มาก็ดู <c oughs> ชาวบ้านที่มาทํางานเนี่ยแล้วก็ดูเขาก็เรียกว่าดูตาม ตามวิสัยของโลกอันนะก็เป็นอย่างนั้นคือคือเลือกไม่เป็นเนะี่ยหมายความว่าเราจะเลือกกินแต่เนื้อปลาแต่เราไม่ยอมรับก้างปลาไม่ยอมรับขี้ปลาเนี่ยเรากินแต่เนื้อทุเลียนแต่ไม่ไม่ยอมรับเม็ดไม่ยอมรับเปลือกของมันเนี่ยมันก็ทําให้ไอีกฝ่ายหนึ่งที่มันเป็นเสมือนเปลือกมันเป็นเสมือนเม็ดทุเรียนเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ไม่มีความสุขแต่ละคนมีความดีความไม่ดีอยู่ในตัวทุกคนเหมือนกันหมดเราถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็เลือกเอาในส่วนที่ดีๆมาแต่ส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่เอามาใช้นะ่ะเราแตกแ่กันเราก็ไม่อเราก็ไม่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันมาด้วยกันเราเยอะพปาเนี่มันขี้เยอะมันก้างเยอะเราไม่กินเราทิ้งทั้งตัวมันไม่ได้อามาก็เจือนคนหลายคนนะ ว่าคุณไม่ชอบคนนั้นคุณก็จะเอาสิ่งที่เขามีดีดิสิ่งที่ไม่ดีคุณก็อย่าเอาถ้าเขามีดีอย่างนี้คุณก็เอาสิ่งนี้มาถ้าคุณจะเลือกเอาแต่คนดีมาทํางานหรืคุณคุณไม่ต้องทํางานใครในโลกทํางานกับใครไม่ได้แต่ถ้าว่าเรายอมรับแต่ละคนในคุณเองก็มีทั้งความดีความไม่ดีอยู่เราก็ต้องยับยอมรับคนอื่นก็มีทั้งสองอย่างเพอเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ร่วมกันได้ เหมือนก็เราอยู่กับร่วมกับอาหารทุกอย่างซึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีลแต่เราก็กินมันได้นะกินมันได้จะเอาไปหักหน่อไม้มาจะาหน่อไม้มาแกงทั้งหน่อเลยมันน่ากินมัย้ยาติม่มไม่น่ากินเลยแต่รู้จักเนาะรู้จักดีดีจะไปเห็นใครไม่ถูกชะตาเราทำไมไม่เอาเรื่องเร่งดีเขาบ้างเหรออย่างนั้นก็คนเราก็เหมือนกัน ออไปเอาไอ้อะไรอะเผือกมัาต้มทั้งหัวนี่มันกรอยมาต้มทั้งหัวกินไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเราต้องมีวิธีการเหมือนกันเราอยู่กับคนเนี่ยต้องมีวิธีการจะเลือกความดีเขา้ามาใช้ไอ้ความไม่ดีเขาก็เออเอาวางไว้สะันะเราอยู่อย่างนี้ก็เออสบายนะดังนั้นเรามาอาศัยอยู่วัดมาเพื่อปฏิบัติขัดเกลาตัวเองเราต้องไม่ลืมบทบาทและหน้าที่นะ นั่นก็หลวงพ่อก็เลยว่าแ อ, อ้วทุกห้องเปลี่ยนกุญแจใหม่หมดหลวพอเอาก็เลยเอากุญแจเขาเอากุญแจไปเปลี่ยนเอากุญแจเดิมคืนเก็บไว้เอากุญแจใหม่ไปใช้แล้วก็เก็บกุญแจไว้คนละลูกเวลาไม่อยู่ก็ก็เก็บกุญแจนั้นไว้แหละแต่ว่าไม่ต้องอมาไว้ที่นี่ก็ได้ แต่ว่าเรามีกุญแจกลางเมื่อไหร่เราต้องการใช้ห้องของคุณวัดก็มีสิทธิ์จะเข้าไปใช้เพราะเราก็จะมีกุญแจสำรองอยู่นะนั่นก็ในส่วนนี้ก็อยากจ ะ, ะทำความเข้าใจว่าเราไม่ใช่หวงที่อยู่อาศัยอะไรนะแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าวัดเป็นเพียงที่อาศัยไม่ใช่ที่อยู่บางทีบางคนเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำความสะอาด เข้าไปนีรกหมดเลยนะที่กุฏิเอามาก็ไปดูโอ้โหเมื่อวานก็ให้โยมเข้าไปทําความสะอาดเข้าไปอยู่แล้วทั้งขวดน้ําทั้งแก้วน้ำํำรกลุงลังมือหมดก็ไปทําความสะอาดถ้าถ้าเขาล็อกกุญแจเอาไว้นี่ก็ถ้าหากแขกมาไปปิดกุญแจโอ้แขกก็พักมาได้เลยเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อเจ้าของกุตไม่อยู่เราจะได้เปิดเข้าไปทําความสะอาดเมื่อแขกใหม่มาพักแล้ว แขกใหม่เขาจะเข้าไปอยู่ได้เลยอันนี้ความหมายที่เราทําอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราปิดล็อกเอาไว้เนี่ยลกลุ่มลังไปหมดไม่เก็บไม่เมียนไม่เป็นที่เป็นทางมันก็มีแขกใหม่เข้ามาแล้วก็เออเขาก็จะบอเป็นวัดปฏิบัติทำไมนักปฏิบัติลกลุ่มลังอย่างนี้นะไม่เห็นมีระเบียบเลยแค่ระเบียบภายนอกยังไม่มีแล้วระเบียบภายในจะเอาอะไร เขาก็จะว่าเราได้โอรุ่มสังสอนเป็นไงเขาว่าเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งคัดมากไม่ใช่หรือทำไมที่มันเป็นรังหนูขนาดนี้ <c oughs> เขาก็ว่าเราได้นะดังนั้นอันนี้ต้องเข้าใจเจตนาลุงด้วยนะเพราะนั้นเองก็วันนี้เราประลบทำรัพปฐาหลายบทแล้วก็ประยุกเข้าไปในชีวิตประจำวันด้วยในในหลายเรื่อง นั่นเองในธรรมกถาแต่ละบทที่สวดเนี่ยบทไหนที่ฟังแล้วประทับใจอย่าให้ผ่านไปเอามาเอามาดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพวกสติการชิมิชาก็โลยสติสสอ่มะมาตัสถาพัฒทางสติเตเสังนิวรงังสติสัพพัทปฏิยาเนคาถาบทนี้มาก็จำติดใจเลยนะเอาไปใช้ได้ เพราะนั้นในบทสวดต่างๆที่ที่เราสวดกันทุกวันมาจําได้เยอะทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะบทไหนที่ที่ฟังแล้วประทับใจเนี่ยมาจะจําได้ไวมากนะแต่บทไหนที่ฟังแล้วมันยังไม่ชัดเนี่ยบางทีก็ไปท่องทุกคนอีกสักพักหนึ่งก็จะจำได้นะบางทีหนังสือทั้งเล่มในะึางทีเวลาสวดแทบจะไม่ถึงดูหนังสืออนะันนะนะ เพราะนั่นเองก็เวลาสวดเรามีสมาธิเราตั้งใจสวดมันจะเกิดความจำของมันเองแต่ถ้าสวดไปผ่านไปแบบนูกแก้วทุกข์องสวดไปร้อยวันพันปีก็จําอะไรไม่ได้สวดไปห้าปีสิปีก็ยังดูหนังสือเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจนะเพราะเราไม่มีสมาธิในในการสวดความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจในอรรถรสก็ไม่มีเพราะเราไม่มีสมาธิใ น, ในการสว ด, วสใ จ, ใสสวดจิตใจเราลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็ขอให้เราพยายามในแต่ละครั้งที่เราสวดนะนั้นเองวันนี้ก็ที่นำเสนอมาก็เรื่องของพุทธพุทธพทาสิทธ์เอาไปพิจารณา<ม>เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขการที่เรามีความสุขก็คือการระเบียบแบบแผนเองนะ